เพียงปัญญาปัญญาจะมีสองระดับปัญญาได้ยินได้ฟังจดจาได้เอาไปคิดอันนั้นก็ไม่ใช่ญาณปัญญาปัญญาอันนี้มันคิดมาแล้วก็ญาณปัญญาสนิทเลยแต่คนมันเข้าใจเรื่องปัญญามีไม่เหมือนกันผมก็ไม่เข้าใจทีแรกผมก็ไม่เข้าใจแต่ปัญญาที่คิดเงินหาทองปลูก บ, บ้านแจงเหินคิด ทำ ม, มาหาสิ่ ง, สงเดงขิ้นเนี่เขาเรียกปัญญาไม่ใช่ ป, ปัญญาปัญญาเป็นปัญญาได้ยินได้ฟังได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์เราได้เรื่องอได้อาา่านหนันงสือตำรับตำราปัญญามาจากคานึกคิดขเขาเรียกปัญญาไม่ใช่ญาณปัญญาญาณปัญญามีอีกเรื่องนึงอันปัญญาอันอย่างเนี้ยเรียนพระไตรปิฎกแตกตามแล้วพระองค์คนนังะยังไรไม่ได้เราเรานึก ย้อนไปถึงพระองค์ได้พระองค์บวชเข้ามาแล้วเนี่ยไปศึกษาเล่าเรียนตามครูบาอาจารย์ต่างๆรู้เข้าใจแต่ไม่มียาปัญญามันเพียงอาศัยแต่ปัญญาจากขาดได้ยู่ได้ฟังแล้วการนึกการคิดเพื่อแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้วันนี้พระองค์ก็เห็นวันนี้มันไม่ใช่ทางหลักทุกเจนถ้าพระองค์ไม่ต้องพูดก็ได้ เรื่องเราเคยพกสมาหลายครั้งหลายคนแล้วจนถ้าพระองค์ไปทําทางจิตทําอย่างอื่นทํามาหมดแล้วเรายังไม่ทดล อ, องมึงแต่การทําทางจิตทางใจนี้เองพระองค์ก็มาทําทางจิตทางใจนี้เองเมื่อพระองค์มาทําทางจิตทางใจได้เกิดญาณปัญญาเนี่ยแบบนี้ญาณปัญ ญ, ญาอลไรแบบนี้ เกิดยานปัญญาขึ้นมาเห็นแจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงเขาเอาปัญญาอันนั้นนหละมา ท, าทิาพากิจจานุปัฏฐานแต่ตัวยานปัญญานั้นในกวงห่วงนะครับในน้อยกัน้นแต่รู้เข้าะช่ไหมเป็นปฐมมาสามผูติยาสามกุฏิาสารจากสุขฐานอันนี้เขาเรียกว่าสามห้าต่อมาเขาเขาเรียกว่าสาม 3. สามเนื้ออะไรคือปฐมมาสาม ผู้จิญสานนาติญานจตุทศานสาราสี่อันนี้อันนี้เป็นสารสารยานบันตามภาษาตัวหนังสือเรียกว่ายานการบานันเรียกว่าสารเป็นยานสารเขาเรียกว่าห อ, อกลยานเป็ว่าวเข้าไปรู้อันนี้ยานปัญญาเมื่ออาศัยยานปัญญาตัวนี้เกิดขึ้นเลี่รู้แจ้งเห็นจริงร่ะมารีพาพิจารณอีกสักตรงนั้นก็เรียกว่ปัญญา ไม่แท้ญาณจริงนะอย่างที่เรารู้จักรูปนามเนี่ยอันนี้เป็นญาณปัญญาญาณปัญญาอันนนรู้จักรูปนามรูปไม่เที่ยงเบตนาไม่อันนี้เป็นปัญญามาแยกออกจากตัวญาณนั่นเอง ท, ที่ผมี่ยคนอื่นจะรู้ยังไงมึงไม่ทราบจะหาว่าผมนี่พูดอ้วกเกินไปก็ได้ครับผมพูกลมกลืให้ฟังผมปฏิบัติผมรู้เลย รูปเนี้ยแต่ก่อนผมรู้ฟางอเนกสารูปไม่เที่ยงเลทะนาในชาเลทนาในาแต่ผมไม่รู้ว่ารูปทํำทําไม่รู้พอดีมารู้อันนี้แหละมาทําอันนี้ให้มันเกิดปัญญาที่ผมพูดแล้วว่าทําสิ่งใดลงไปมากก็าตามน้อก็มันไม่เกิดญาณปัญญานั้นก็เส่าได้ครับฟังอันใดก็ตามมันไม่เกิดญาณปัญญา ก็อเสาได้ครับทำอันใดลงไปเนี่ยทําอันใดก็ทําอะไรเนีลยครับทําจริงไหนอันเดียวครับทาน้อยก็ตามทำมากก็ตามถ้ามันเกิดยานปัญญาขึ้นให้เกิดความรู้แจ้งสิ่งทริงตามตนั้นเนียยถูกต้องฟังเทศฟังธรรมฟังนั้นก็ตามครับฟังน้อยก็ตามฟังแล้วมันเกิดยานปัญญารู้แจ้งสิ่จริงตามสนจริงจริงอันนั้นเนีว่ยถูกต้อง ถ้าหักยังไม่เกิดสิ่งเหล่านี้แสดงว่าสิ่งนั้นยังไม่ถูกต้องผมแต่คนอื่นนั่นผมไม่ได้รับรู้ผมพูดนี่พูดเฉพาะในเรื่องของผมผมได้ศึกษาแล้วเรียนมาต่างต่างและได้ปฏิบัติมาผมมาทําอันนี้เน่ะเลยเกิดความรู้ความเป็นผมก็เจอรูปน้ำมันเป็นรูปจริงจร่งแล้วว่าตาเห็นเป็นรูปลู่จากรูปเป็นนามนามคือนามนามสต่พะนามคุณนามอันนี้เรียน เน่ผมก็ไปไวัดนาฬิกาเนี่ยเนี่ยเป็นรูปเนี่ยนามเขามานันะคือคุณค่าเขามันไปดูเวลาอั น, นไม่ส่อรองแต่ถูกต้องตามปัญญาพิสิทิ์ไม่ใช่ถูกต้องตามปัญญาญาติของปัญญาที่ผมได้ทิพาอิตาุดเดียวคนนีเ้เราเรียนมาแล้วตาเห็นเป็นรูปรูปจกว่ารูปเป็นนามหูฟังเสียงเป็นรูปรูปจกว่ารูปเป็นนามเอ๊ะมันเข้าใจรวมจริงรูปนามมันติกดกันอยู่นี่เลย ลูกทำนำทำเนี่ยมันทำอยู่นี่เนี่ยเข้าใจตัวนี้โอ้อันนั้นก็ถูกต้องแต่มันถูกสันนิษฐับมันไม่ถูกสันนิษฐานลูกทำนำทำเนี่มันทำอยู่นี่ลูกโลกนามโลกมันแม่เกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นโลกเสร็จหัวปวดห้องบันทึกจิตใจมันนึกมันคิดอะไเป็นโลกจิตใจน่ะมันรู้จักอันนี้โอ้นี่มันลึกผิดกันครับเมื่อรู้จักอันนี้กับรู้จักสมมุติแค่คอนสมมติสมมติเอาอันนั้นมาให้พ่อเอาอันนี้มาให้แม่เอาอันนั้นมาให้ผมอันนี้ม่ให้ฉัน ในสมุดอันไหนรู้จักอันัหนแค่ความจริงอันนั้นกรถูกเดีสมมุตินี่ให้รู้จักว่าสมมุต่อมือสมมติสมมติแงขาสมมุติอะไรสมมุติอะไรทุกสิ่งทุกอย่างสมมุติถือสมมุติเทวดาสมมุติให้เราทุกสิ่งอย่างเนี่แหละให้รู้จักจริงๆอันนี้สมมุติญาณปัญญาครับสมมุติถือสมมุติเทวดาสมมุตินรกสมมุติตวันสมมุติมาพูดว่า เนี่ยมันเป็นยานปัญญาก็รู้จักโออนี่มันเอาสมมุติมาพูดแม่เอาสมมุติมาพูดพูดไม่ได้ครับกับบัด น, นี้ก็เดาเอาปัญญาเขามาริภาคนนี้อีกส่อพักหนึ่งอันนี้เป็นปัญญาไม่ใช่ตัวส่วนญาณเลยตอนนี้รู้จักอันนี้แล้วครบจบเพื่องขอรู้จักศาสนารู้จักพุทธศาสนาศาสนาคือคําสอนทั่วไปหรือศาสนาคำสอนทั่วไปในบัด น, นี้เราก็เรียนมาแล้วตั้งมา ศาสนะคือตัวบุคลคลพุทธศาสนาคือตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาก็ได้คือตัวรู้ก็ได้ตัวเดียวเท่นี้กับผมเนี่พุทธศาสนาพุท ธ, ธแะแปลว่าผู้รู้ใครรู้ก็ตัวมันโลนนี่เองเราจะว่ายิญญานกกา ญ, ญาลูกก็ได้คือว่าปัญญารู้ ก, ก็ได้คิว่าอะไรรู้ก็ได้ตับเป็นรู้แค่นี้กับผมบาปเป็นบาปก็คือโง่นี่เองบาปคือเมือ่อคือไม่รู้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 เอาตัวปัญญาตัวนั้นมาแก้ตามสี่หลงถูกต้องถ้าหากเราไม่ได้ทําให้ยานปัญญาเกิดขึ้นและไปคิดยีภาควิจารอ น, นั้นอันนี้แก้ทุกไม่ได้ครับผมคนอื่นจะจะแก้ได้ไหมดูผมก็โอ้คาว่าปัญญาครับเนี่ยมันมีคําเดียวว่าปัญญาเนี่ยกว่ายานปัญญาคำเดียวเลี่ไม่ใช่ยานปัญญาจะไปรูปทุกขั้นทุกตอนน่ะไม่ใช่คือเฉพาะยานนิด เ, เหมือเนี่ยของเราเบิกทางตัวที่แรก เบิกทางไปคนที่แท่วทางไปเที่ยวหลังนี่ไม่ได้เป็นส่วนผู้ที่เบิกทางคนที่ทํางานไปทีหลังนี่เขาบอกลูกน้องก็ได้คืออยสมมุติเขาจะตัดถนนคนที่ซองกล้องเขาไม่ตัดทางครับเขาไม่ได้ตัดต้นไม้เขาซองกล้องไปซองกล้องแล้วเขาตัดเป็นวิวกระไฮตัดนี่คนเบิกทางคนตัดทางเนี่ยไม่ใช่คนซองกล้องนะสมมุติให้ฟังนะที่จะที่พูดนี่พอเข้าใจไหม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 ก็ควมเป็นคนนี่ก็ได้มาจากพอจากแม่พระบิดามาดาถ้าไม่มีพอไม่มีแม่ไม่มีบาดามาดาเรวจะเกิดเป็นคนได้ทําเกิดไตลักควมเป็นคนรู้เท่านี้ก็พออันนี้อาศัยว่าเราก็พูดกันแล้วบัดนี้ควมเป็นคนอยู่ได้เพราะเรื่องอะไรอันนี้เป็นปัญญาเนี่ยวิภาวิสานควมเป็นคนอยู่ได้ก็เพราะอาหาร อาหารบำรุงร่างกายเป็นคนอยู่ยถ้าขาดอาหารแล้ววันนอยู่ไม่ได้อีกทีนึงเมื่อกินอาหารเข้าไปแล้วันนไม่มีถ่ายอยู่ไม่ได้เลนมิได้ถายไม่กินเข้าไปก็อยู่ไม่ได้ก okay. คนเป็น <Character> คนก็อยู่ไม่ได้ทีอันนี้เป็นปัญหาขึ <M> ้นแค่ทีแรกมันต้องรู้อาศัยให้ยานปัญญาตัวนันเกิดขึ้นเบิกทางอวันนี้เป็นหัข้อสั้นๆนะเ <นะ S 2> หน้าที่ของคนบรรยายน้าที่ของคนเรื่องของคนเอาแล้วบันเนี้ยเป็นปัญญาอุปาิจาริมขั้วเฉพยอยญาปัญญา ม, มาญญาันที่เดียแค่นี้เองครับผมเคยพูดให้ฟังท่าไปเลยไม่ได้ปลอดภัพอได้จบเส้นทางพบรีบขึ้นมาทางนี้แทวทางเคยได้ยินบ้างไหมผมพูดอย่นี้ครับเ<ม>นี่ยที่มันมีตอมีหินมีอะไรอยู่ที่เนี้ยเราจะได้ขุดหลักขุดตอนน่อนั้นเองอันนี้เขาปัญญา ไม่ใช่ยานปัญญาแท้อถานอห้ละเอียดเรียบร้อยแต่อาศัยยานปัญญาเดินหน้าก่อนนี่จึงว่าปัญญาค่อยแทวค่อยถางค่อยเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยไปเรียบปัญญาดังนั้นชื่อว่าการทำอันนี้เนี่ยมันให้เกิดความรู้ความเห็นควาเข้า ใ, ใจให้เกิดปัญญามียานปัญญาขึ้นมาเป็นระดับระดับขึ้นมาจึงปฐมฌานองค์ห้าเอาไว้ทุติยฌาน มีองสามกาสัญญาสารมีองสองจะตุทัศน์มีองค์สองภาว่าบันนีตนปัญจมาสารมีองห้าคือปฐมมาสารมีองห้าผู้สัญญาสมีองสี่ตัสัญญาสารมีองสามจะตุทัศน์มีองสองปัญจมาสารจึงมีองสองอีกแล้วนริงเรามาแยกกันนี้คือเราไปแยกไปตามต่อแต่เราไม่ได้เห็นอันนี้เพราะญาณปัญญาตัวนี้อย่างไม่ เมื่อเราทำให้มันญาณปัญญาตัวนี้เกิดขึ้นออ่ะจังว่าเราพูดกันเราสวดกันบ่อยๆกันนะ่าพุทธานุพุทธังสามะสีะทธิเทิงกันจะมีคู้ตัดสลูตามพระพุทธเจ้ามีสินละทิฐิเสมอกันถ้าเราตัดสรูตามพระเุทธเจจริงๆอะต้องอาศัยญาณกันแต่ระดับปัญญานั้นไม่เหมือนกันคนที่เรียนนมากก็ต้องมีปัญญาแตกตานก้วงอันนั้น แต่ตัวยานปัญญาเนี่แก้ปัญหาได้เหมือนกันครับพระพุทธเจ้าท่านว่าท่านก็ยังชี้ให้ดูแล้วว่าตัดทั้งหลายเราผู้เป็นสถาคตไปถึงแล้วอย่างนั้นแล้วจึงนํามาสอนพวกเคอทั้งหลายให้พวกเคอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตรถาคตก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตรถาคตคํานี้ไม่ใช่เป็นปัญญา คำนี้เป็นตัวอยางปัญญาจะรู้เห็นเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนั้นตัวนี้พี่ตัวเทศเนี่ยทัดทั้งหลายเหมือนเราตัดทัเนี่ยอันนี้เหมือนกันกทัดทั้งหลายคือเราตัดทักทศทัดทั้งหลายเป็นตัดทักทศไม่เหมือนกันนะระดับสี่ขว่มยังได้เหมือนกันอันนี้อาศัยยานปัญญาเป็นเครื่องส่อทางเนสองทางกระเบิดทางคําเดยีกยมนะ คนละคำเนี่ยสองทางกับเบิก ท, ทางเบิกทางไปพูดแค่ผู้เตียนไป่ไหครับเนสองทางเนี่ยเป็นไปพู้พูดเดินหน้าไปเลยเอออาศัยยานปัญญานี่กอนเดินหน้าได้บัด น, นี้เรื่องของคนมาเนี่ยเรื่องของคนเนี่ยเป็นยานปัญญาเลยบัด น, นี้เรื่องของคนจะไปที่ทางนี้ยานหน้าที่ของคนเป็นเรื่องปัญญาเลย้งยานปัญญาไม่ใช่จะเกิดตลอดวันนะครับเกิดเพียงแป๊ะเดียวเป็นก้าวเป็นก้าวไปตอดอันดับว่า ข้อแรกที่ผมรู้มาะคือรู้เรื่องลกน้รู้ให้ครบ wipes. ให้จบให้้นลูกน้ำรูกพันน้ำพันโลกโลกน้ำโลกทุกครั้งอันิจจ <EM> ังอนัตตาหยุดในพักเน่ยว่าทุกครั้งอันิจจังอนัตตาก็ต้องมีเป็นตั้นเป็นเปลือกแต่หยุดในพัแล้วก็มารู้สมมติรู้ศาสนารู้พุทธศาสนาแล้วผมก็เลยไปติดขมรู้อีกเลยปัญญากระเนนั้นเป็นวิาสเลยติดคนรู้ทธอีสิ่งติด คิดจนมาเจ็บหัว่าคิดรู้อันนั้นอันั้นรู้ทั้งหมดอันนี้เป็นปัญญาปัญญานี่จคือว่าทำให้เราผิดก็ได้ทําให้เราถูกต้องก็ได้ถ้าไม่มียาแล้วมันตื่นถ้ามียานเราไม่ทาตเลยคือว่าทําเป็นพื้นฐานคือตัวยานเสมอแต่เราก็มาทำเป็นพื้นฐานเอาปัญญามาเป็นพื้นฐานนั่เนเองที่เราฟังที่ครูบาสาอนอครูเป็น บดัดนี้เมื่อมาเกิดตัวนี้เราผมเืจอมั่นโอภารุติ อ, อนเรื่องนี้อันนั้นก็จริงแล้วไปยืมเอาคําพูดมาแนละ้วมาเจอผมรูมันไนกันบางคนนะเรียนจบมหาปริเรียนีย่ยไปทํำกฎหมายสิทธตลางก็มีนะที่ประเทศในเรือนจําข้างหนึ่งมหาป ร, ริญญาไปสิทธิ์ตลางก็มีอันนั้นเตึกปัญญานะครับไม่ใช่หยาดปัญญาเลเป็นปัญญาที่คิดแล้วอยากได้ก็ ไปทุจริตของเขาเขาก็จับไปจิตตลาดทิ้งเนี่ายธาตญาณปัญญาเป็นหัว ข, อข้อเรื่องอภิญญานี่ไปใช้แต่ชีวิตกับอปัญญานใจาญญานจึงว่าให้รูดจักเลือกคัดจัดหาออกมาใส่้มันเป็นเนี่เป็นพอได้รู้อันนี้ตกเย็นมาผมอบมาบน้ำอาบน้ำมาแล้วก็มาเดินตรงผมผมเคยพูดอย่างนี้ควมจริงตื่นอย่า ง, างเดินไปข้างนั้นเดินกลับไปกลับมา เกิดมีความเห็นแจ้งรู้สิข้าข่าจิรวกคนึนงคมคิดเหมันขึ้นมาครั้งที่หน่ไม่รู้ครั้งที่สองรู้ครั้งที่สามผมทันอยูผมคิดคันแล้วก็ผมเคยพูดทำเหมือนเนี่ยกับหนก็รู้กว่างดีเลยก็เกิดให้ญาณปัญญาเกิดขึ้นเป็นวัตถุปรามัฐกาโคสะโมหาโลภเวทนาปัญญาตังขันธ์จบจากหนี่ เวคานาไม่ทุกปัญญาไม่ทุกสังขติบันฑนิกับปัญญาวมาาวิภาควิจาลตัวย่า่ปัญญาอันเท่แทงี้ยตัวน้ำหนักตัวผมเนี่ยร้อยกิโลครับหายหล่นออกไปหมดเหมือนกับเอาอันยามาสโลมเนื้อเนื้อเนี่ยจิ้เข้าไปจับจุดไม่ได้แล้วโคสัโมะโลพะรุดแปแล้วตกปุ๊ออกไปแล้ว ร้อยกิโลเนี่ยออกไปจางน้อยต้องหกสิบกิโลแต่ผมคาดหว่าแปดสิบกิโลโอเข้าใจแล้วครับปัญญากรรมวิภาควิจารณ์เล้วัตถุกามหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างไปได้หมบนเนี่ยี่ที่ปัญญาไม่ใช่ยันปัญญาเป็นปัญญาเนี่เรามาแปลกันทุกสิ่งทุกอย่างไม่ผิดแต่ว่าเอาไปใช้ในการที่ผิดก็ผิดไปใช้ในะทางที่ถูกก็ถูก ทุกสิ่งทุกอย่างต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศห้วยหนองของมือตัวเองก็เป็นวัตถุจิตใจก็เป็นวัตถุเน็คบัด น, นี้ต้นไม้ภูเขาห้วยหนองของมือเป็นปรามาัดกําลังประเสริญอยู่นี่แหละกําลังเห็ น, นอยู่เป็นปรามาัดตัวเราก็เป็นปรามาัดจิตใจก็เป็นปรามาัดเน็คอาการหมดเยทุกสิ่งทุกอย่างต้นไม้ภูเขาห้วยหนองมีการเปลี่ยนแปลงขณนีันขันนี้เป็นปัญญาไม่ใช่ญาณปัญญาแกยานปัญญา ตองไปให้เป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องเบิกถาให้พวกเขาเข้าใจได้ครับเออเนี่ยอาจาอย์ปัญญาตัวนี้อันวันนี้ก็ต้องมาวิภาหรือจะมาแย่ให้พวกเราเข้าใจไว้เป็นไม่คนไม่ค่อยพูดอย่างนี้จะพูดกันตนาะมเรื่องที่ผมพูดมาผมก็พูดไม่ได้พูดอย่างนี้มากพูดในน้อยพูดใ น, นเรื่องอย่างนี้ก็ต้องเรื่องพูดไปเรื่องวันนี้ตัวแพร่ทางก็ต้องเป็นตั ว, ตวเรงซองกล้องเป็ดเรียวาายานเป็น อาการก็เปลี่ยนแปลงไปในจังหว่าโอ้ลนไปแล้ว60กิโลริงก็80กิโลก็พูดไดเ้เหลือ20กิโลเบาสามารถที่โอ้ โ, อโอนี่ต้นหางแหล่วบนี้นี่แหละจะว่าได้กระแส พ, พันิุ์ผ่าได้ที่ตรงนี้ใครจะพูดยังไงก็ได้แต่ไม่ได้ออกเรื่องคมพูดของคนอื่นผมพูดควมจริงถ้าปฏิบัติอย่างนี้ต้องรู้มาอย่างนี้าผิดจากนี้ไปก็แสดงว่าไปรู้อย่างนี้ เปล่งเดินกลับไปกลับมานีดหนีอยวไม่นานเกิดยานไปแน้กิเลสตัณหาอุปทานครับโอ้ก็เลยรู้จักอันนี้ึ่งศีลเป็นเครื่องกาจัดกิเลสอย่างยาสมาธิเป็นเครื่องกบจัดกิเลสอย่างกลางปัญญาเป็นเครื่องกาจัดกิเลสอย่างละเียดถ้าเราไม่มีศีลเนี่ยพอกิเลสย่างยาอันนี้ก็ยังเอาออกไม่ได้กิเลสย่างยาไม่ใช่มาคูบูรีอันนั้นเป็นติยอยมา ตัวโมหะนี่เองตัวโทสะตัวโลภะสามอย่างนี่เองจิเลสยังอยู่แล้วกับกิเลสตัณหาอุปาทานเนี้ยไปยึดมั่นถือมันเกาะเนี่ยกิเลสยังอยูนถ้าสิ่งเหล่านี้หุดไปแล้วแบบนี้เนสิ่งจะเห็นแล้วสิ่ ง, ง, งมันนอยู่แล้วเพราะอันนี้มันกอกยูนี้ก็เลยไม่เห็นเนี่ยสมบูรอย่างนี้นะมีนากดิกาไหมเนี่ยครับมีไหมมีไหมเนี่ย แล้ววันนี้ผมเอาพาดอย่างนี้คุมไหมเห็นนาฬิกาไหมเนี่ยนี่แหละกิเลสยำยพอดีเอาดิออกไปปุ๊บนาฬิกานี้อยู่แล้วของจริงมีอยู่แล้วธรรมะที่ทำให้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้ามีอยู่แล้วแต่ถูกอันใดปกคลุมปิดบับงหรือครอบงำจะว่ายังไงก็ได้เนี่ยแล้วหาเนี่ยเป็นปัญญาไม่ใช่ญาณปัญญาเป็นปัญญาบริทาบิจักรที่เข้าใจยังง แต่คนอื่นผมไม่รับรองไม่รับรูแต่คำพูดผมนี่ผมรับรองรับลูเพราะผมเข้าใจอย่างนี้จืิว่าเอาความจริงมาเราเพื่อเราฟังจึงผมสามารถจะพูดอย่างนี้เรื่องอื่นๆนให้คนอื่นพูด ไ, ได้แต่เราต้องกล้ารับรองคำพูดที่เรารู้มานั้นแล้วกล้ารับรองคำพูดของพระเจ้านั้นและวิธีที่เราทานี้กับวิธีของพระเจ้าน่ะจะต้องการรับรองได้ ถ้าทำอย่างนี้จะเป็นอย่างนั้นเหรอเล่งกล้องไปสุดๆเนี่ยให้เบิกทางไปผู้ตรงนู้นถ้าเล่งกล้องเนี่ยเบิกทางไปผู้ตรงตัดไปทางนี้มันก็ไม่ได้ไปทางนั้นเลยดใช่ไงมครับมันก็ไม่ไปทางนั้นเนี่ยทีอาจจะเงี้ยบๆการเบิกทางกับการส่องกล้องกันให้มันส่องกล้องเลยน่ะเบิกทางไปตามกล้องได้ถ้าเบิกทางไปทางที่ผิดผิดตัวเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ น่าเอามาคิดจิกิพอดีรู้จักอันนี้ควมสงบเป็นผลถอยได้ผมมานอนก่อนมานอนแล้วอันนี้รู้จักอันนี้เราตอนเย็มานอนนอนผมลุกตอนเก้าเอาใส่ไปใกล้ไว้เทียนไหตะขาบตัว น, นึ่งมันแล่นมาผ่านหน้าผมผมก็เลยเอาเทียนไขตามตะขาบไปไม่เห็นได้อเอกเทียนไดไปวังที่เดิ เลยรู้จักรพัดเกณฑขึ้นมาสิ้นเป็นเื่องกัปตเเจังหมสมาธิเป็นเื่องกัปตัเลรจังทางปัญญาเป็นเคื่องกัปตัเกยสิ้ตัวนี้ก็เไม่ใช่ว่าสิ้ห้าสิ้นแดสิ้สิบสิสองร้อยสิบสิสามร้อผมไม่เคยพูดแคผมพูดสิขันสมาธิขันปัญญาขันสิ้นขันสมาธิขันปัญญาขันขันคือรูปขันเวทนาขัน สัน ญ, ญาขันสังขันขันยิน ญ, ญาขันมีสินรูปอันนี้มีสินนะครับที่มันมีอยู่แล้วคืแสดงว่าแต่เอาอันไรมาปกอันนี้มันได้ขาเลยเลยคิดว่กากรรมสัตว์เกเรยอยาไไ่างหยาบใจๆจิตลรักษามาแล้วทั้งเทเป็นเด่นคนทิกงเอ็มาเป็นหนุ่มมาบวชเป็นพระไปทั้งมาหนูครอบครัวทําบุญให้ขันรักษาสีนเสมอแต่เราไม่รู้เลยสินขันแปลว่ขันนี้มีสินเนี่ย คือขันห้ามีศินขันสี่มีศินขันเดียวมีศินขันเดียกว่าวินงานขันเน่ะดินงานเ่ว่ารู้เนี่ยตัวดินงานก็มีศินดินงานเจอปัญญาไปแล้่ยปัญญาจะมีสองระดับเขาเข้าใจไหมครับปัญญาตัวนี้กับดินงานเนี่ยมสองระดับนะดินงานเจอรู้เยดินงานก็คือปัญญานั่เองเออปัญญาก็เลยรู้จากความสงบความสงบที่เป็นผลปล่อยได้ ควมสงบเป็นผลถอยได้เพราะเกิดปัญญาเกิดปัญญาขึ้นมาได้ก็เพราะยานปัญญาเบิดทางเมื่อยานปัญญาตัวนี้ยังไม่เบิดทางนีแค่ปัญญาชิดชิดึงก็ยังปรากฏไม่ได้ควมสงบปัญญาปรากฏไได้นี่เปอนยางไงเมื่อยานปัญญาเบิดทางแล้วคือปัญญามันแพ่่ทางไปคือเบิดทางเลยอันนั้นเป็นผลคอยได้ตัววบสงบ ความสงบเยือป็นผลคอยได้มาจากกรรมยาผมเข้าใจอย่างนี้พอได้รู้จักเรื่องนี้มาทักผมก็รู้จักการทําบาปเพื่อกายทําบาปเพื่วาจาทำบาปเพื่อใจทำบาปเพื่อกายถ้าหากนัลกมีนะไปตกนัลกคุ้มเหยนานกี่ีีเดือนเข้าใจอย่างนี้อันนี้เป็นยากรรมยาทำบาปด้วยวาจาไปตกนั้กคุ้มไหนทําบาปด้วยใจคิดเฉย สอันนี้ทำคือดักจีนั้นไม่ได้สามความกันไปจบนนลบคุณไหนนานสี่สีส่เดือนทำบัฟด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจสามอันนี้า ม, านมันดูดกันเนี่ยไปจกนักนคุณไหนนานสี่สีส่เดือนรู้จักอันนี้ เ, น เ, เป็นงานจรเห็นรู้เข้าใจจปนไม่ใช่ตาเห็นใจมันรู้ิีงานมันรู้เนี่ยพอได้ยานสัญญาที่นี่เครื่องบึกทางมันจะไปได้บ่บเงี่ยเครื่องบึก ต, ตัวอย่างปัญญาไม่ต้องเป็นข้องตอใดตอนนี้ตรงกันข้ามทําบุญด้วยใจเขามือกยกไว้ทําบุญด้วยวาจาพูดจะดีทําบุญด้วยใจใจคิดจะดีสามอย่างนี้ถ้ า, าสวรรค์มีทําบุญด้วยใจไปเกิดสวรรค์สี่สี่เดือนนิพพานมีจะไปสี่สี่เดือนทำบุญด้วยวาจาคําพูดทาดีจะได้ประยุทธ์สวรรค์ นิพพานมีกินไไปอยู่ที่สี่สี่เดือนนี่ทำได้ใจไปอยู่ที่สีเดือนมันเหลวนะครับที่ขบวุมันแปลจนแคเดียวเหมือนกับปาแรกทีเดียวมันเป็นวันนี้ทําบุญด้วยตายด้วยใจด้วยวาจาพร้อมกันทั้งสามอย่างนี้ตึกสูงถ้าหักสวรรค์มีนิพพานมีไปอยู่สวรรค์นิพพานสี่สี่เดือนวันนี้จะเครื่องส่องไปที่ไหนเลงงานอะไรวันนี้เครื่องแพร่ทางแพร่ไปเรื่อยไป เนี่ยดิภาวิจารนี้เป็นปัญญาเลพอดีเหมือนกับคือไฟฟ้าเด็ดปั๊บเข้ามาเลยทีเดียวเนาะเอฟเสกมาพวกงเข้าตรงนี้ปุ๊บเสกมันย้อนคืนมาติดตรงนี้นั่นดึเข้าหากันไม่ถึงเนี่ยอันนี้เป็นอย่างปัญญาแต่ปัญญากับมวิภาวิจารมันขาดเพราะเรื่องอะไรเนี่ยเน้่ไปติดเป็นติดเนาะว่ายาไปกลับึ้นมาทางนี้เลื่อๆมาอีกอันนี้เป็นปัญญาเก็นอย่าคืนมาต้นทางกลับมาเบิดพานย แวทวฐานเตียนกไปเถ่ดดังนั้นขับขึ้นมาแทวฐานเตนนีแทวทา ง, ทางอันนี้เป็นปัญญาเป็นปัญญาของหยาไม่ใค่หยาปัญญาเป็นปัญญาที่สามข้นหยาเนี่ยคือผมพูดนีะครับเกีังเต็มหรือไม่เป็นก็เป็นเรื่องของคนนะบัดนี้เนี่ยระดับปัญญาการฟังจีไม่เหมือนกันระดับคมรู้จีไม่เหมือนกันการทำวิธีเนี่ยทําแต่น้าจะจัง เกิดมาในชีลิของผมผมไม่เคยไปทำเคยให้ทานเคยนักษาศีลเคยทำกรรมฐานมากรลายแต่ไม่เคยไปยัยนจังหวะมั่นใจเลยดุกได้ดุกแล้วแบบดุกไม่เดินแล้วแบนคือไม่สแสวงหาภูหาจาไม่สแสวงหาตำราไม่สแสวงหาอะไรเรื่องวาจุลดุกกัดสงบการเดือวกันอีกเรื่องความสงบจนเราเป็นผลถ่ายได้เพราะเกิดปัญญ า, าง่ายติ ดังนั้นพวกเรามาทํามาเจริญสติเจริญควรู้สึกให้รู้จักขันต้นเนเรื่องของคนควมเป็นคนหน้าที่ของคนใหญ่ๆอันนี้เป็นญาณเสมอแต่เรารู้มาเนี่ยแต่เราไม่รู้จักเมื่อเรารู้จักกัสิ่งเราจะได้รู้จักพระลูกตัวเองได้ยกมือไหว้ตัวเองได้ยกมือไห ว, ว, ว้ตัวเราเนี่ยเป็นไหว้ครูเราก็ได้ไหว้พอว่อไหว้แม่แล้วก็ได้ ไว้เพื่อนไว้มนุษย์ร่วมโลกด้วยกันทั้งหมดเขได้นั่นจริงาทุกคนมีเหมือนกันทั้งไม่ติดกันเลยือว่าคนในโลกเนี่ยคนไทยเขาเรียกว่าคนคนจีนเขาเรียกว่าคนคนอเมริกาก็เรียกว่าคนคนเยอรมันก็เรียกว่าคนอังกฤษก็เรียกว่าคนคนอินเดียก็เรียกว่าคนคาเมรันก็เรียกว่า คนยวนคนลาก็เร um, ียกว่าคนให้ื่อว um, ่าคนนั้นมีเหมือนกันหมดอันจึกใจสบายสบายที่สุดหนึ่งันสึกใจว่าวุ่นก็มีเหมือนกันหมดแกวะพระพุทธเจ้าให้สามอยคอยเป็นท่านสอนให้เราอะให้ดูกติกำหนดรู้ในอิริยาบถทั้งสี่ยืนก็ให้มีสติรู้เดินก็ให้มีสติรู้นั่งก็ให้มีสติรู้นอนก็ให้มีสติรู้ เพื่อให้มันเกิดหย า, านปัญาารู้จักของจริง